เรื่องเรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโจติปัญโญธรรมิกระยาเจ้าพุทธบริษัทผูกไฟในธรรมทั้งหลายในขณะที่เรากำลังทำความเพียร เนื่องกันมาเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงที่ผ่านมานี้คือเป็นเวลาที่เราสมควรจะได้มาทำความเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นในการอบรมจิตที่ว่าจิตตะภาวนา ในวันอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่สามแล้วของพันสา น, นี้ <c oughs> รู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินงผ ม, มก็เหนื่อยสองคืนกลับมาจากวิทยาลัยเที่ยงคืนก็จะมาถึง ใช้เวลาบรรยายกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขวันละสี่ห้าชั่วโมงงูสกวามีอาการไข้เย็นในวันนี้แต่ก็พอทนได้ที่จะมาพูดกันในเรื่องนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยสังเกตเห็นบางคน นั่งหลับหิสงบแล้วบางคนนั่งตัวตรงสบายบางคนก็ลุกขึ้นไปเดินจังกลมลุกเข้าลุกออกเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เพราะอะไร เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นขณะที่มันนั่งง่วงนั่งหลับสงบมันมันสงบนะขอให้เข้าใจวันนั้นมันสงบท่น้ลลองคิดดูถ้าหากมันวุ่นวายมันกัดกุ่มอยู่ในหัวใจมันจะ นอนหลับไหมอย่าว่าแต่นั่งอย่าว่าแต่นั่งเลยนอนทั้งคืนก็ไม่หลับที่มันไม่หลับนั่นฮะมันมีปัญหามันกัดกรุ้มมันบุ้นวายของมันอยู่ที่มันทําไมวันนี้เรานั่งอยู่แล้วมันก็หลับ <c oughs> นั่งหลับนั่งสงกนี่มันสงบ มันระงับลงไปท่านสังเกตลมหายใจตัวเองดูให้ดีๆว่าลมหายใจมันเป็นอย่างไรและทันทียในปฏิสันลีปฏิสันลีชุดนี้นตดวเฉพาคนหนุ่มๆในขณะที่มันเกิดอาการปุงแต่ง โดยจะพยายางยิ่งเรื่องตามมารมสังเกตดูให้ดีๆว่าลมหายใจเป็นอย่างไรการที่เราหยุดงานหยุดการที่บ้านมาสมทานอุโบสถทศินในวันนี้ในวันพระมันเป็นการมาฝึก ตนสั่งสมบารมีเป็นการมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตรหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาพักผ่อนก็ได้วันพระเราเรียกว่าวันพระหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าวันศิลเนื้อโดยเฉพาะพวกเราเรียกว่าวันศิลวันพระ เป็นคำพูดสำนวนกลางๆทางประเทศแต่หาในบ้านท้องถิ่นอีสานเราเนี่ชื่อว่วันศิลทั้งวันศินลวันพระเนี่ยมันอันเดียวกันถ้าดูความหมายของวันพระมาจากคําว่าโวระแปลว่าประเสริฐวันที่จะทําให้ชีวิตนี้ประเสริฐ สิ้นมาจากความหมายที่ว่าศิลากรอนหิน <c oughs> แต่ตามปรับของมันตรงๆนแต่จะดูอาการกิริยาของมันก็คือความปกติห <c oughs> <c oughs> ินมันปกติไม่หวานไม่ไวไปกับลมกับแรง <c oughs> สิรสังศีลาวิยะภาวะปกติ <c oughs> เหมือนกรอนหินเนี่ยคือสิ้น เพราะนั้นวันนี้ก็คือวันที่จะมาทำให้กายปกติจิตใจปกติวาจาใจกายวาจาใจให้มันเป็นปกติส่วนวันอื่นอืนนั้นได้ใช้มันไปสุดวียงดิ้นรนต่อสู้ยื้อย่างแสวงหาปากกัดตีนทีบหหกก้นควิดไม่เป็นปกติ วันนี้มาทําให้มันปกติหยุดหยุดการกระบวนกระวายการ ร, าร้อนร้อนการมืดมนสมมติตนเองเป็นคนล้มละลายมันทั้งหมดวันเนี้ยไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดในโลกสิ่งที่สมมตุติลงไปยังไงมันก็ยังไม่หยุดอยู่ดีๆไม่ปกติอยู่ดีเราก็เลยต้องมาศึกษาให้ละเอียดลงไปอีก ก็คือการทำสมาธิการฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพใช้ํำนวนอย่างนี้ก็ยังเข้าใจยากสำหรับผู้เท่าเพราะฉะนั้นเขาปเปลี่ยนคำใหม่ว่ามาเรียนรู้กาย ที่มนรวมกันเป็นชีวิตทั้งชีวิตในตัวเราในตัวเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กายกับจิตเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักชีวิต แล้วมันก็จะจบปัญหาคือความทุ ก, ทกข์พรพุทธเจ้าบอกปุกเพจหังพิกเกเวในอดีตก็ทีเอตหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขสัจนิโรทงังในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือในปัจจุบันจะต่อไปในอนาคตก็ตาม เราพูดเราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ในชีวิตนี้มันก็มีเท่านี้ทุกข์ถ้าหากดับความทุกข์ไม่ได้มันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดสังสารวัต ด, ดีใจเสียใจได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าหัวเราะร้ อ, องไห้ลม้มหายตายไปบนเบียงกันอย่อยางเงี้ย เพราะนั้นถ้าหากเราจะให้มันปกติจะให้มันดับทุกข์เราก็เลยต้องมาศึกษาเรียนรู้ตัวชีวิตคือกายกับจิตและการเรียนรู้นี่หลักสูตรของมันไม่ต้องไปเรียนข้างนอกไม่ต้องไปสวดร้องท่องบนอะไรมากนะัก พระอรหันต์พระริยเจ้าในสมัยพุทธกาลสมัยโบราณที่ไม่ได้หนังสือนะอ่านนังสือไม่ได้อักษรละศาสตร์ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้แต่ท่านก็เรียนรู้ชีวิตจนไม่เป็นทุกข์จนดับทุกข์ได้ลองคิดดู ไม่ต้องมาอ่านหนังสือสวดร้องท่องบนแต่เราก็ไม่ได้ดูทุกเด๋ดดดดวยวนี้มันเป็นโชคดีของเร า, าหลายชั้นเกิดมาทีหลังครั้งปลายแถวค่อนพุทธกาลไปแล้วก็ยังโชคดีแสนจะดีถึงแม้จะไม่ทันพระพุทธเจ้าหนังสือ น, นังหาตำรับตำลาโคบาอาจารย์ <c oughs> ท่านได้สืบทอดมาจนตกถึงเราโดยเฉพยาะ ย, ยิ่งก็คือพระไติ ป, ปิฎกอยากจะขอร้องค <c oughs> อภัยเสียงมันไม่ดีมันจะหมด <c oughs> จะสิ้นมันพูดมากซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดนะมือเหนื่อยขอร้องให้พวกเราทั้งหลายอย่าดูทูก องปริยัตมวิชาการทางหลายเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติมีจำนวนไม่น้อยดูถูกปริัติว่าเอาแต่เรียนแล้วก็ไกลห่างจากศาสนาสู่เรามาทำปฏิบัติเลยลงไปเลยไม่ได้ <c oughs> คำกล่าวนี้ มันก็ไม่ค่อนไม่ไม่ค่อยจะถูกเท่าไรนะขอบอกให้พวกเราที่เป็นพระเป็นเนนทั้งหมดในวัดของเราเนี่ยอย่าไปดูถูกท่ า, เ น, า, ทเานเรียนจบนะกธเอกมากระตามเรียนจบมหามาก็ตาม้าไม่มีปริญญาตไม่มีวิชาการเราจะรู้เรื่องอะไรเราควรจะขอบคุณสุดกล้าวสุดหัว ก็อครูบาอาจารย์ที่ท่านสืบทอดพระไตรปิฎกมาจนถึงเราถึงแม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติท่านจะเป็นปุถุชนยังไงก็ตามแต่ขอให้ถือว่าท่านรักษาสาสนามาจนถึงเราอย่างน้อยหลักฐานทางวิชาการข้อวัดปฏิบัติ อันเั็นแนวทางนั้นยังมีไว้จนถึงเราเราก็เลยมาเลือกเอาเลือกเอาให้มันได้ประโยชน์แต่พร้อมกันนั้นในเมื่อเลือกเอาแล้วก็จะไปติดจุก <c oughs> อาจจะแค่ปริยัตเ <c oughs> ดีนี้มันเป็นอย่างนี้ผู้ที่เรียนปริยัตก็กโดโูโธนักปฏิบัติปเปลาได้นั่งหลับหูหลับตาขณะเราเลืมตาอยู่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มีผมก็ได้ยินมาเต็มเป่าโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าขุนก็มีก็น่าสงสาร น, นะสมเพชเวทนากันนั้นแต่พวกปฏิบัติก็เอาอีกละอยู่ในป่านในเขาเห็นว่าพวกประยัตบ้าหอบฟังอ่านแต่ตำรับตำราอ่านแต่ตำรายาอยู่ตัวยาไม่ได้กินในที่สุดมันชวดทั้งสองอุพัโตพัทธะไม่ได้ประโยชน์ตั้งสองฝ่ายนั้นนะ ปฏิบัติถ้าไม่มีวิชาการมันจะหลงทางแล้จะเกิดยึดมัน่นถือมั่นทิฏฐิของตนเองผมคิดว่ามันจําเป็นที่ศดทางวิชาการจะต้องรู้เหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นการปฏิบัติจะต้องทําให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นแหละดีที่สดุด จะเป็นลงยึดมั่นถึงมั่นครูบาอาจารย์เมาครูบาอาจารย์จนเกินไป <c oughs> <c oughs> ครูบาอาจารย์ทำให้ลงทางน้อยเยอะๆช่วยไม่ได้กินมันน้อยหรอกที่นี่ที่เราอยู่ที่นี่เราไม่ทอดทิ้งปรยัิเลือกที่มันเหมาะสมกับบุคคลมีพื้นฐานมาอย่างไรเช้ามา เย็นมาที่ผมว่างเวลาใดผมก็ไปเยี่ยมองโน่นองนี้อยู่ในกระท่อมของใครของมันในป่านั่นนะั่นะผมไปสอนตริยัดแต่ผมก็เลือกให้ว่าคนไหนจะได้รับระดับไหนมันมีปัญหาอย่างไรดิทันรลายลองคิดต่อไปว่าถ้าผมไม่รู้หรือผมสอนท่านผิด ในสิ่งที่ผมมอบให้ผรานกระเชื่อผมสุดหัวสุดกล้ามันจะเป็นอันตรายแกพระษาวนาสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยที่ไปบอกไปซ้อนกันนั้นอ่ะมันจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อปฏิบัติไปจนถึงได้รับผลไม่ถึงผมจะขอร้อง ให้เราทั้งหลายเชื่อตามที่ผมพูดมาเนี่ยท่านหนึ่งหลายก็เชื่อไม่ได้โดยสนิทใจถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> ผมกล้าพูดอย่างนี้ว่ามันเชื่อไม่ได้โดยสนิทใจยอย่าว่าแต่ผมเลยพระพุทธเจ้านั่นให้ท่านมาตรับจุดตอนหน้าในสิ่งที่ท่านพูดเราอาจจะเชื่อได้เพียงสัก ครึ่งหรือคร่อนแต่มันคงไม่เต็มไปรอยเปอร์เซนเพราะมันยังไม่เห็นตามที่ท่านบอกท่านเยอาต้องสงสัยอย่ามาว่าแต่ผมเลยแต่เมื่อเราทำตามที่ท่านบอกที่ท่านตรัสท่านสอนวันหนึ่งเราจะได้รับผลในการทำตามนั้น สิ่งที่ท่านพูดไว้ก็เลยจะหายสงสัยเมื่อใดทำปากฏแก่พรรมผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปแล้วความเชื่อร0อยเอร์เซ็นมันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบังคับกันแล้วตอนนี้ทึงจะเชื่อยังไงมันก็ไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นตแล้วผมก็อยากบอกว่าอย่าเชื่อร0อยเปอร์เซ็นตนั่นน่ะดี พระพุทธเจ้าอรียกพระอริยเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอัศโทออัศโทไม่มีศรัทธาอัศโทอกตัญญูจะไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูคนทั้งหลายฟังไม่ถูกดอกเพราะอัศโทนั้นมันยังเชื่อไม่ได้แต่พอท่านเห็นสิ่งนั้งหลายตามเป็นจริงแล้วท่านเชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อ ่ไม่ได้เชื่อจากคนอื่นเชื่อจากความจริงที่ได้เห็นนั่นในช่วงนี้ผมจึงขอร้องให้กันหลายฟังฟังแล้วคิดให้ดีแล้วไปทํายังเชื่อไม่ได้หมดก็าตามมันแต่เี่นี้มันมีพิเศษอีกอันหนึ่งที่อยาบอกให้ทราบว่าถ้าคุูบาอาจารย์ท่าน สอนอย่างถูกต้องเราไม่มีความสงสัยทั้งๆที่ยังไม่เห็นตามที่ท่านบอกทําตามไปเลยว่าหมดสงสัยว่าท่านสอนถูกต้องอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะทุ่นเวลาทุ่นแรงงานแทนที่มันจะช้ามันกับเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยมาก เพราะมันเชื่อ ส, สุดก้าวสุดหัวเรียกว่าสัทยานุสาลีเล่นไปตามศรัทธาแต่ถ้าหากคบาอาจารย์ไม่เข้าใจสอนผิดแล้วก็ไปเชื่อสุดก้าวสุดหัวอันนี้แหละมันจะเสี่ยงที่สุดช้าที่สุดลงทางที่สุดเปลืองเวลาที่สุดเปลืองเรี่ยวแรงที่สุดไปถ้าหากว่าเชื่อบ้าง แอีกส่วนหนึ่งที่มันยังไม่เชื่อเลยนะั่นแหะแต่ยังปฏิบัติตามไปปฏิบัติตามไปอยู่นั้นมันจะเสี่ยงน้อยกว่ากันแต่อาจจะช้าเหมือนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานนะมึงท่านมีสติปัญญามากท่านไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อท่านทำไปทําไปลกูกเสร็์ของท่านบริวารของท่านที่มาบวช พร้อมกันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดพวกนั้นมีศรัทธาไม่เครือบแคงไม่สงสัยไม่ระแวงเชื่อสนิทใจในพระสัจปดาพระพุทธเจ้าเมือว่าไม่มีเจโตขีละไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีตอไม่มีตออยู่ในจิตในใจที่เดินไปเร็วๆถึงแต่ทั้งสองท่านมีสติปัญญามากเลยมีหลักมีตอตรงนี้นัก ปริญญนักวิชาการทั้งหลายปฏิบัติธรรมจึงช้าน่อยแต่ก็ปลอดภัยดีถ้าหากปฏิบัติตามที่บอกนั้นถ้าซ้อนผิดก็ปลอดภยัยถ้าซ้อนถูกถึงแม้จะช้าก็ยังจะได้ประโยชน์วันหนึ่งเข้าจนได้อล า, านี้ฝากฝากให้ท่านหนึ่งหลาย แล้วก็ฟังต่อวปว่าการที่เรามันนั่งสมาธิเป็นสองชั่วโมงก็ดีการที่เราเดินนีผมก็นเน้นให้ท่านทั้งหลายทำอานาปานะสะติเราไม่ต้องพวกันทึงกรรมฐ า, านอย่างอื่นมจะเปืองเวลาในที่นี่เียวเวลาเรามี น, น้อยๆผมก็ไม่ค่อยสบายจุ เอาแค่ว่าการศึกษาชีวิตเรียนรู้ชีวิตก็คือการเรียนรู้กายกับใจที่มันสัมพันธ์กันหรือเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่ารูปและนา ม, มเหียมกังนามรู ป, ปัญจอุโภอัญญยยะนิสสิตา นามกับรูป ก, กายกับใจทั้งสองอันแอบอิงอาศัยกันอยู่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่จึงมารวมกัาเป็นตัวชีวิตของเรานี่คือการเรียนภาษาธนาโลกทั้งโลกอยู่ในนี้ไม่ร่างกายยาวาที่มีสัญญาและใจอยู่ในนี้ถ้าได้ว่าอยู่ในนี้ ความทุกข์ความสุขอยู่ในนี้จะดับทุกข์จะสร้างความสุขขึ้นมาอยนนู่ในนี้อยู่ในกายกับใจในขณะที่ยังไม่ตายยังไม่หลับนี่แหละเพราะนั้นพอบอกว่าให้เรียนกายกับใจเรียนรู้ชีวิตเราก็เลยรวบยอดเอาสวิตใหญ่ๆคั่วของมันคั่วของมันเหมือนพวง ของผลไม้เรารวบขั้วใหญ่ของมันขั้วใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนี่คือลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใ, ใจออกนี่พระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้เพราะอันนี้บอกชัดยืนยันในทีประสูตรสังยุติกายมหาวาระวพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้า คธสามร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหน้าที่ที่สี่ร้อยถ้าจำไม่ผิดฉบับสยามรับที่เป็นภาษาบาลีภา้าไทยก็จำไว้ เล่มที่สิบเก้าข้อที่พันสามร้อยี่สิบเจ็ดมันสามร้อยยี่สิบ้าหน้าไม่ตรงกันมันหลายฉบับอหฮัมปิสุทังพิกเวปุเพสัมโพธาอนาปิสัมพุทโทโพทิสโตวะสัมโนอิมินาวิหะเลนะพังรังวิหะฮรามิอมหะลาโต ก่อนหน้านี้ท่านจะพูดถึงอน า, นาปานสติพิกเวีพระวีตาปัญญาตาเมงปราโฮติมหานิสังสาดูภ่พนสุทธุ์ทั้งหลายอน า, นาปานสติบุคคลจเจริญให้มากก็ทําให้มากและมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ได้ยินว่าเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตัดสู้เรายังเป็นโพธิสัตว์ยอหัมปิสุทธิ์ทางพิกเวีพิษุททัง้งหลายให้ได้ยินว่าปุเพ อนัสปุพพเพสัมโพธานาปิสัมพุทโภภูทิสโตวะสมโนโอิมินาวิหะเรนะพะหูรังวิหะหราโตเนวะกาโยกีระมะตินะจะโคณิอนุปาถายจะไม่อาศเวหิกิตตังวิมุตติผู้ภาษาบาลีมันก็มากด้วยวิชาการจะชาในการฟังแต่ก็อดไม่ได้และที่จะพูดเรื่อง สับแสงทางวิชาการนี่ฉะนั้นมันจะฟันเฟือกเป็นห่วงพระศาสน า, ารักพระพุทธเจ้าว่าเอาเองเดี๋ยวมันจะเละเทะกันไปหมดเหมือนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาสันติอโศกนั่นนะเพราะนั้นเราก็ต้องเกาะไว้ก่อนวิชาการบาภาษาบาลีภาษาเท็์ชวนจริงๆของหาพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเรา ดูความวิสังข์ร้ายแม้เราเองก็ตั้งแต่ยังไม่ตัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แหละเป็นส่วนมากคือนาปนาสติอืมเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ท่านบอกเนี่ยแต่สมัยหังพิฆเวอิวนนาวิหะเลนะภูหลังวิหารันโตเนวะอาโยยีระมตินะจะโคนิโนต า, ายะจะเวอาสเวจิตตังวิมุจติ เมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี่กายของเราไม่ลาบากตาของเราไม่ลาบากผมใช้ภาษาง่ายๆอย่างนี้นะอาสวะคือความเคยชินที่สังสมมาให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะที่เรียกว่าอาสวะอาสวะนั่นแปลว่าความเคยชิน อาสวะของเราก็หมดสิน้นไปเพราะความไม่ถือมัน่นไม่ยึดมัน่นถือมัน่นแล้วท่กยิบยืย่นให้เราว่าตัดสมาติหะพิคเวพิคูเจปิอากังเกะยะเนวะเมกิระมะตินะจะคโหนเนนุปาทายะจะเมอาสวะหิจิตตังวิมุตเจยาติก ถ้าเธอทั้งหลายจากพึงหวังว่างตายของเราก็จะไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากอสาุาวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไซอเยเมวานาปานสติสมาธิซาทุกังมานสิกาตบโพกเธอจงทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสติสมาธินี้แหละยาวนะครับโซดนิยาว เล่มที่สิบเก้าตั้งแต่มหาวาร ะ, ะอาณาปานสังยุตเกลื่อนไปหมดในพระธรรมปิกเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทัศนู้พอการกำหนดดูที่ลมหายใจนี่แล้วมันไม่ลำบากทั้งกายไม่ลำบากทั้งอะไรนั่งดูเดินดูนอนดูยืนดูลมหายใจไม่เลิกเวลาแล้วมัน ทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในหมดสิ้นไปได้ง่ายเพราะลมหายใจมันเป็นสื่อความหมายให้เราเห็นความเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าเป็นธรรมดาลมหายใจออกเป็นธรรมดาไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ขยันไม่ขี้เกียจกับลมหายใจนี่มันเป็นธรรมดาเมื่อจิตชินชากับความเป็นธรรมดาอยู่ทุกลมหายใจมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดา ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นหน้าย็บมันถือมัน่นและจะเห็นอยู่ในนี้หมดพระพุาทธเจ้าก็เลยแนะนำหยิบยื่นให้ว่าเธอทั้งหลายจงทําไว้ให้ดีๆในใจถ้าปาดธนาความสิ้นไปแห่งอาสวะความสบายแห่งกายความสบายแห่งตาไม่ลำบากเหมือนกรรมฐานอย่างอื่นท่านบอกอย่างนี้อืมผมผมพอใจมากแล้วก็มาชักชวนนั่นหนึ่งหลายทำ ท่นยืบยื่นให้อย่างนี้ท่านบอกว่าอเยเมวานาปานสติสมาธิสาธุาธกังมณสิกาตโพทําไว้ในใจให้ดีดซึ่งอานาปานสตินี่แหละหาใจเข้าหาเยอะออกมีสติอยู่อย่างนี้阿拉เบลเวาการมีสติดิ้วอยู่ในลมหายใจเข้าออกมันเป็นการศึกษาเรียนรู้ชีวิต ทุกแง่ทุกมุมความลับของชีวิตความลับของธรรมชาติของกายของจิตซ่อนอยู่ในนี้ไม่ปิดบงังไม่อัมพางให้ท่านเาลายชสว้ฟังให้ดีๆว่าให้ล้มหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นสตน้ำปฏิบัติการทางสติปัญญาทุกเมื่ออย่างเต็มที่อย่างเต็มที่ สนามให้มันเป็นสนามเป็นออฟฟิศเป็นสนามเขาไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเป็นสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาชา์จอยู่อย่างนี้ทุกลมหมายใจจนมันติดจนชาจนชินอะไรที่ขอ้ออธิบายแยกแยะซอยลงไปที่ผมบอกว่าเรียนรู้ชีวิตในวันพระ ในวันศิลปยญาเยอมากันมากมา ก, มากนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ใต้ร่มเงาเมฆไม้มากินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มาโรงเรียนมาเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้กายเรียนรู้ใจกายเอาเอาเอาตั้งใจฟังหน่อย หายจะเข้ารู้จักมันหายจะออกรู้จักมันอยู่อย่างนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายแบ่งแบ่งเหมือนขาบของแบ่งจิตฟังให้ดีฟังให้ดีดจิตความรู้สึกทั้งหมดละดมลงมาแบ่งครึ่งสมรวมันมีความรู้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็น แบ่งห้าสิบห้าสิบสิตีสิตี้ห้าสิบคือส่วนหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอีกส่วนหนึ่งรู้ความคิดความรู้สึกในลมหายใจมันคิดอะไรเฝ้ารู้อยู่เห็นอยู่ดูอยู่ อย่าไปช่วยมันอย่าไปต่อต้านมันในความคิดนั้นเรารับรู้รับทราบแล้วให้มันผ่านไปไม่ต้องปาธนาให้มันสงบมันจะสงบมันเองถ้าเราพอใจในความคิดที่เป็นฝ่ายดีเราก็ติดติดฝังขวาติดฉันทราคะกำหนับเพลิน จะในความคุ้นคิดนี้ในอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่พอใจอยากให้มันหยุดไม่พอใจความคิดที่มันไม่ดีงามความรู้สึกอันแสนจะคํมคืนในอดีตก็ดีหรือความคิดที่ไม่ปาณาตมันมันก็จะเกิดความคุ้นเคืองปติกะมันจะเกิดพยาบาทมันจะเกิดเป็นนิวรนเป็นความชัง่งมันก็ติดทั้งบวกทั้งลบไม่เอาเราไม่เอากับมันทางนั้น ไม่ว่าจะบวกจะลบจะดีจะชั่วในความคิดอดีตอนาคตรับรบู้บทราบเขาสรุปอีกทีหนึ่งว่าแบ่งจิตแบ่งสติความรู้สึกไว้ตรงกลางตรงกลางระวางลมหายใจกับความคิด รับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปห้าสิบเปอร์เซนรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกห้าสิบเปอร์เซนคอยรู้จักความคิดที่มันคิดขึ้นมาไม่ว่าความคิดนั่นจะเป็นอะไรการรับรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้า ท่านพูดไว้อย่างสั้นๆคำหนึ่งวัดุกอนที่สุดทางหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ให้จิตฟุ้งไปส้านไปในภายนอกไม่ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจะพ้นจากชาติจรามอลันนะเหตุใหเกิดทุกข์ทั้งปวง พูดไว้อย่างนี้ย่ในอุเทศวิพังคสูตรอุปริปันาฏมชิมณิกายอาวิดกโพสตันตะเล่นที่สิบสี่มีข้อความอย่างนี้ภิกษทาจัสวิญญาณังอวิชิตตังอวิสตังอสตังอสันทิตตังอนุ ป, ปาทายะณนะปริ ต, รตัสโต อายะติงชาติงชะลามลณ ะ, ะทุกขะสมทุทโยนะโห ต, ติติฟังไม่ถูกคำกล่าวในเมือน ม, นมันมีความขัดแย้งเทียงกันว่า่าให้จิตฟุ้ฟงไปภายนอกอ่าให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอัชชดตังอัสันทิตัง นี่ช่วยฟังให้ดีว่ามันมีภายนอกแล้วก็มีภายในไม่ให้มันไปนอกไม่ให้มันอยู่ข้างในมันจะอยู่ไหนมันอยู่กลางๆช่วยฟังให้ดีอนุปาทายะปริตต์เสยะปริตรต์สโตไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นตรงนี้อยู่กลางๆช่วยฟังให้ดี ถ้าเราตามรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่รับรู้รับทราบความคิดจะฟังให้ดีเมื่อรับรู้รับทราบความคิดมีแต่อย่างนี้ให้มันสงบตามลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวตามลมเข้าไปในท้องเป็นอนุพันธนาตามลงไปตามออกมาให้อย่างนี้เรียกว่าดูแต่ภายในลมหายใจเป็นเรื่องภายในแต่ถ้าเรามาดูแต่ความคิด มันก็จะฟุงไปตามความคิดในอนดีตในอนาคตในความพอใจไม่พอใจความคิดนี่อยู่ภายนอกนะ <c oughs> เชิญฟังให้ดีๆความคิดนี่เหมือนกับรูปเหมือนกับเสียงเหมือนกับกลิน่นเหมือนกับรสภาษาพระภาษาธรรมภ <c oughs> าษาบาลีเรียกว่าธรรมารม มันเป็นอายตนาภายนอกมันอยู่ในจำนวนเดียวกันกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการตั้มผัดภายนอกของกายที่เรียกว่าโพธะและก็ธรรมารมยมโยมที่ไม่เคยบวชไม่รู้เขาบอกให้ทราบว่าเสียงกับหูของเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเสียงอยู่ภายนอกหูยืนรับรู้สแตนบายอยู่ภายใน เมื่อเสียงมากระทบหูหูจึงรู้จักว่าเสียงมีเสียงดังขึ้นแล้วก็ผ่านไปใจวิญญาณธาตุมีอยู่ยืนรงรู้อยู่ความคิดมันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามดับไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบมันมาใหม่มาจากภายนอกฟังให้ถูกว่าความคิด นั้นถ้าหากเราไปมีสติจ้องดูแต่ความคิดโดยไม่ดูลมหายใจเลยมันก็เป็นการใหทธาจะสภาวิญญาณังลวิสตังละวิคิตังฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกกับความรู้ภายนอกสีนี้ถ้าเกิดตามลมตามลมอนุพันธนา ตามลงไปฮันติ้งลงไปตลอดแล้วมันก็จะเป็นอันเดียวสงบลงไปสงบลงไปอันนี้เขาเรียกว่าเข้าไปทางในอัจฉตัย์อัศจิรตังต้งไม่ไม่ไปตั้งมั่นอยู่ภายในคําพูดนี่เหมือนเถียงกันเหมือนขัดกันครั้งแรกต้องการให้เราสงบทีนี้ก็เลยขอแยกให้ทราบขอแยกให้ท่านนักลัยได้รู้ในตรงนี้เสเลยว่ามันไม่ขัดกันหรือ บางแห่งท่านให้ดูภาวนาบริกรรมบวชโทฟุตโทข้าว่าพฟูออกว่าโทฟูตโทฟูโทเมื่อมีความคิดอะไรขึ้นไม่สนใจมันให้มันคิดฉันจะอยู่กับฟุตโทฟูโทพุตโทลูกเดียวจนเป็นอันนึองอเดียวกับฟุตโทอันนี้มันไม่ผิดหรือกับคำกล่าวที่บวชอชตังอาสันธิตัง คู้ตรงนี้จะเข้าใจสับสนกันน่อยหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์ขอบอกให้ทราบเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันหลายผู้หลายคนคนที่ฝ่ายกันปฏิบัติไปเรียนมาหลายสำนักหลายครูบาอ า, าจารย์แล้วมันขัดกันความจริงทาความเข้าใจให้ถูกว่านี่ไม่ขัดกันไม่ขัดกัน การทำพุทโทพุทโทพุทโทเขา้าไ่ายภายในตามลมเข้าไปเป็นอนุพันธ์นากลดลมอยู่ในกลางลมปลายลมอย่างนี้จนเห็นลมน้อยเข้าน้อยเข่าละเอียดลงเป็นรูแล้วก็เกิดอุกหะนิมิตขึ้นมามีนิมิตขึ้นมากําหนดอุกหะนิมิตให้มันเป็นปฏิภาคแล้วจนเกิดรวมล้อมดับพลึบลงไปเป็นฌานอันนี้มันเป็นวิธีทางอันหนึ่งไม่ผิด ท่านเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัตนาชนิดมีสมถะเป็นเบื้องต้นที่ภาษาบาลีว่าสมถังบุพังคะมังวิปัสนังภาเวติตัตะสมถังบุพังคะมังวิปัตนังภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญวิปัสนามีสมถะ เป็นเบื้องหน้าคือให้จิตสงบก่อนไม่สนใจที่จะไปรู้อย่างอื่นเมื่อจิตสงบแล้วก็เลยมาทำเป็นวิปัสนาเมื่อเมื่อจิตสงบลงมากเกิดและก็เสบมมักให้มากอาเสวาติเสพให้มากพาหุรีกโรติการําให้มากหลังจากนั้นกว สัญญชชานิปะหียันติอนุสยานิหึงพยันติโคติทมสังโยชให้หมดไปอนุัสสิส้นไปนี่มันไม่ผิดนะมันไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนคน หลายคนตั้งคนโง่ที่สุดถึงคนฉลาดที่สุดถึงคนปานกลางคนมีอุปนิสัยคนมีบาลมีคนมีอินทรีย์ย่อนกว่ากันยิ่งย่อนกว่ากันบางคนมีสตินทรีย์มีปัญญทรีย์มีเสอือมีสติมีปัญญาอ่อน แต่เขามีสมาธินิสิเขามีสมาธิกล้าเขามีศรัทธินิสีเขามีศรัทธาแรงมีวิริยนิสิมีความเพียรแรงมากมันพร้อมอย่างนี้แล้วท่านก็ให้ทำอย่างนี้ให้ให้ให้มาทำตรงนี้ให้ทําสมาธะเกิขึ้นมาพร้อมสับแล้วเอากำลังของสมาธาไปเพ่งให้มันเกิด สติเกิดปัญญาสูงขึ้นทำลายอาสาวะทำลายสังโยชน์ไปเพราะการทำพุโทโธพุโทโธไม่สนใจความคิดดอกดูลงไปให้มันลยล้อมลงไปล้อม ล, อ ง, ไลองไปเขี้ยวลงไปอย่างนี้วันหนึ่งมันก็สงบอาจจะใช้เวลานานนี่ก็ไม่ผิดเรียกว่าเจริญวิปัสสนามีสมร t h เป็นเบื้องต้นแต่เขาบอกให้ทราบว่าไม่มีท่านให้บอกให้พูดอะไรดอก แต่เราเอามาใช้ก็ไม่ผิด <c oughs> ทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกเพื่อจะไม่ได้สับสนบอกไล้ ว, ว่ามาวันพระต้องมาเรียนรู้ชีวิตในลมหายใจเนี่ยที่นี่ที่นี้บางสำนักบางคูบาอาจารย์ซึ่งหลายท่านเคยไปศึกษาผ่านมา ว่าที่โน้นซอนอย่างนี้หายใจเข้าพองนอหายใจออกยุบนอหรือเดินขวาอย่างนอซ้ายอย่างนอยกบนออย่างนอเหยียบนอพากมันก็ไปอย่างนี้หรือบางแห่งก็สร้างความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวคูเหยียดก้มเงยยกมือเข้ายกมือออกสร้างสมปัญญะในการเคลื่อนไหวให้มันเกิด sensation on body ขึ้นมาอย่างนี้แบบมหาสีเทคนิคมาจากเมืองพม่าของมหาศีสัญญาดอเขาเรียกว่ามหาสีเทคนิคพวกฝรั่งเขานิยอมเรียกอย่างนี้แล้วก็มาเถียงกันว่าอั น, น, นไหนมีถูกกับพิษอย่าเถียงกันให้เข้าใจว่านั้นก็ไม่พิษนั่นก็ถูกอย่างนั้นจเจริญบุญปัสตนา เอาวิปัตนากนตารตรรมะสมัทถังวิปัตนานุพังขมังสมัทถังภาเวติมีคำนี้ตัดสัวิปัตนานุพังามังสมัทถังภวยโตมัคโคสัญชายาติเจริญสมัทมีวิปัตนาเป็นเบื้องต้น มันก็จะเริ่มวิปัฒนากนารสมถะสมถะก็จะตามมาเมื่อมันรู้เท่าทันสติสัมปชัญญะแก่ขึ้นสมาธิสมถะ ม, มันก็เกิดขึ้นเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจาระมันก็จะเกิดขึ้นตามกำลังของเหตุปัจจัยไม่พิดจะไปเถียงกันแต่การทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่เหมาะ กับการทำเช่นนั้นแต่เลือกสอน <c oughs> คนเช่นนั้นเป็นคนฉลาด <c oughs> นี่เป็นคนที่มีสติเรียกว่าสตินซีปัญญซีมีปัญญามีสติเป็นใหญ่อยู่แล้วแต่ทางสมถะคือทางสมาธิทางนี่ยังไม่แข็งแกร่งถ้าจะมาทําตรงนี้มันจะชาสมถะก่อนทั้งก็เลยชาิไปโน่น อัดทาสติทางปัญญาให้มันเร็วให้มันรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสมาธิสมถาะาก็จะตามมาทีหลังไม่ไปไหนแต่ก็อาจจะไม่ได้ชาญที่พิจิตร ว, ว่าเป็นระดับอปปนาลงไปนะอย่าเข้าใจว่าไม่มีชาญไม่มีอัปปนาสมาธิแล้วมันไม่สามารถจะทำลายอาตวายสิ้นมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นอีกซิสเต็มหนึ่งต่างหากเต้าไม้มันอยู่โน่นเมื่อกเรากินข้าวพี่น้องชาวอีสานกินข้าวเหนียวปั้นจิ้มจ้ำปั้นประแดกปั้นจ้ำประแดกเลยพี่น้องที่กินข้าวเหนียวก็เอาช้อนอกินข้าวเจ้าก็เอาช้อนตักกินพี่น้องชาวจีนก็กินตะเกียบ อย่ามาเที่ยงกันเลยว่ากินแบบไหนมันถูกต้องเป้าหมายการกินอยู่ที่ความอิ่มเขาเนี้อปันจิ้มอิ่มแล้วหมดปัญหาหายหิวเขาเจ้าตักช้อนตักกินอิ่มแล้วหมดปัญหาอินทขีบก็เหมือนกันมันก็ต้องเหมาะสมกับใครกับมันนะั่นที่นี่การมาดูลมหายใจรู้จากลมหายใจครึ่งหนึ่ง ห้าสิบเปอร์เซนรู้จักความคิดห้าสิบเปอร์เซนตไม่อยู่ข้างในไม่ไปข้างนอกอยู่ตรงกลางอนุปาทายะปริตตัดเอยะปริตร ต, ะตะัดตโตไม่สะดุง้งเพราะความไม่ยึดมัน่นไม่ยึดมั่นทั้งภายนอกทั้งภายในดูอยู่กลางๆาอายติงชา ติ่งฉลาโมล น, นะทุกขสมุทยนะัยโอนะโหติ ต, ติที่พระพุทธเจา้าแห่งผู้จะคนอยากชาติชลาโมล น, นะเฮตุที่เกิดทุกขังปวงก็งจะค้นไปคํากล่าวนี้ตรงเนี้มันจะทําให้เราคิดว่าเอ๊ะนี่ยังไงไม่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ข้างในไม่เอาสงบไม่เอาวุ่นวายแล้วจะเอาอะไรที่อยู่ตรงกลางกลางนี่อันนี้พระพุทธเจา้า ท่านสอนกับบุคคลผู้ที่มีอินทรีย์ทั้งห้านั้นนะโดยไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากมันมีครึ่งๆกลางๆทั้งศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไม่มีอะไรโดดเด่นมากหรืออาจจะมีอะไรเด่นอยู่ก็าตามท่านก็เลยให้ทำไปทั้งสองอันพร้อมกันคือทั้งสมถะและวิปัสสนา ที่ภาษาบาลีว่าสมาถังวิปัตนังยุคณนทังภเวติสมถังวิปตนังยุคณนทังภาวายโตมขโคสัญชายติหลัง่างนั้นก็อาศัยวัติภูริกะโรติเสพให้มากกระทำให้มากซึ่งมรรคทมันเกิดขึ้นนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดพ้น สัญโยนนานไปยันติอนุสยานิไายันติโหติจะทำให้สังโยทำให้อนุสัยหมดไปสิ้นไปโดยการกระทำทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เราจะทำมันทั้งสองอันกันบอดทำไม่ได้สมถะมันจะได้วิปัสสนา ไม่ต้องเสี่ยงต่ออุปโภพัตตาชวดทั้งสองทางแต่เราจะเอาทั้งสองอันไม่ได้อันใดอันหนึ่งมันจะต้องมีพ้นการกำหนดดูลมหายใจเข้าใจออกดูตลอดการเนืองนิจจนมันติดกันนั่นเป็นหลักฐานแห่งความมั่นคงจิตใจไม่วันไหวเป็นสมถะเป็นอิมม n i t น เป็นภูมิต้านทานไม่ให้ความลุกลามขึ้นเฮือขึ้นมาของกิเลสแล้วตัววิปัฒนาตัวสติที่ไปรับรู้ความคิดภายนอกอยู่ทุกเมื่ออ่านจิตอ่านความคิดอ่านใจตนเองอยู่ทุกเมื่ อ, อ, อ, อ, จจ อ, อ, ท, อทุกขณะทุกขณะที่มันเกิดขึ้น จนมันกลายเป็นความเคยชินอันนี้เป็นตัววิปัตนาในปัตนาแล้วมันก็จะกลายเป็นระบบแอนตี ic, <c oughs> ้ไบโอติกแอนตี้ไโอติกต่อต้านเชื้อที่จะมาก่อให้เกิดความทุกข์จนหัวใจอักเสบพูด <c oughs> เป็นภาษาส ม, มัยใหม่หน่อยมีทั้งภูมิต้านทานภายในแล้วก็มีทั้ง คุมต um. no er. ้านทานเชื้อภายนอกคุมท <nous. S 1> ั้งกำหนัดคุมทั้งกำเนิดเข้าใจไหมคุมกำเนิดมันเกิดกำหนัดคุมกำหนัดมันก็จัดกำเนิดเราจะคุมทั้งกำเนิดไม่ให้เกิดกำหนัดเราจะคุมทั้งกำเนิดให้มันเกิดกำหนัดน้อยเราจะคุมทั้งกาหนัดเพื่อจัดกำเนิดไม่ให้มันมีก็เลยั้งรู้ภายนอก คือความคิดที่มันมาภายนอกเพื่อจะต่อต้านเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกพระพุทธเจ้าคร่บบอกว่าเป็นยอดของผู้ที่ทำความเพียนอืมหลายลองคิดดู โยจะรางวาปิติถันวานิสินโนอุทวาทะยังวิตกังสมจิตตวาวิตกูปสุเมระโตภ พ, พโพโซติโซภิกขุพุดทุงสัมโพเทมุตมงจระสูตรจตุ ก, กันใิบาตอังคุตในิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอดข้อที่สิบเอ็ดหน้าที่สิบเจ็ดสยามรัก กลบเนเรนาสิบหกไปคํากล่าวสั้นๆที่ท่านสรุปท้ายของผู้ที่มีความเพียรทุกเมือ่อสิสุจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็าตามเมื่อมีความวิตกใดเกิดขึ้นยังวิตกนั้นให้ระ ง, งับไปอยังวิตกให้ระ ง, งับไปและพอใจในการทําวิตกให้ระ ง, งับวิตกูปสัสมรโตพอใจแค่นั้น ในนี้เรามันทำความเปลียนไม่พอใจเพียงแค่นั้นไม่พอใจเพียงเพื่อให้ความคิดระงับลงไปทุกขณะทุกขณะที่มันคิดรู้มันให้มันระงับไปอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวแต่เรามันโลภมากกว่านั้นมันอยากจะมีอิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเห็นเหล็กเห็นหัวยจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังบอคนไปเขาจะได้มาสร้างวัดตั้งวายใหญ่โตอันนั้นเป็นการดําริดผิดเพราะผู้ที่อยาให้พอใจอยู่เพียงแค่นี้ ทำไมต้องพอใจก็เพียงแค่นี้มันหมดเรื่องกันวิตูกูปสเมรโตไงไหมวิตูกูปสเมรโตพอใจพอใจยินดีในการทำวิตกให้ลำงับภพโพโซตาดิโซภิกขุภุดทุงสัมโพธิมุตตมันุดทุงสัมโพธิมุตตมันตี พิกษุนั้นควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมถ้าไม่ได้บอกว่าเก่งกว่านี้ยังจะบรรลุโพธิญาณแค่นี้ควรแท้ที่จะบรรลุโหธิญาณอันอุดมเดียวนี้อยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะมีหูทิพตาทิพอยากจะไปรู้จักจิตใจของคนอื่นเขาคิดอะไรอ่านเขาไม่ออกเขาจะได้อัศจรรย์ลั่นเลื่อนแผ่นดินไหว นั่งซื้อพิมพ์ได้นโลงแม็กกาซินโฆษณาเอาแค่รู้จักใจตนเองที่มันคิดทำให้มันรางับไปได้แล้วพอใจแค่นี้วิจิกูปเสมีระโต้พออย่าไปอยากรู้จักความคิดของผู้อื่นอยากจะไปรู้จักจิตจักใจผู้อื่นเจโตปริญญาณอันนั้นยังเป็นโลงกิยะาภิญญา การรู้จักใจของผู้อื่นไม่สามารถดับทุกข์อาจจะเพิ่มทุกข์เวลาคนโน้นเขาคิดชังเราเราก็โกรธขึ้นมาทันทีมันทุกข์แล้วถ้าไม่รู้เลยมันอาจจะยังสบายสบายเป็นอัญญาณุเบกขาอัญญาณุเบกขาวางเฉยโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขานึกเกลียดชังน้ำหน้าเราอยู่เราไม่รู้จักเราก็ยังสบายถ้าเกิดเราเสือกไปรู้จักใจเขาขอภาขาขอภยัยเชิญคว่าเสือ แล้วเราก็จะเป็นทุกข์นอนไม่หลับอีกต่อนหนึ่งถ้าเกิดใครเมื่อสักคนหนึ่งมารักยิงทันหนึ่งไลายเป็นพระหนุ่มๆเป็นนั่งเห็นสีกามาแล้วก็พอใจเขาเกิดโรแมนติกขึ้นกับตัวท่านเกิดเอนเตอร์เทนขึ้นแล้วเราเองก็จะเกิดรีแอคชั่นขึ้นมาอีกทุกข์อีกเห็นไหมล่ะ การรู้จักใจของคนอื่นไม่สามารถทําให้เราสิ้นทุกข์ไม่สามารถทําให้เราดับทุกข์แต่มันจะทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นรู้จักใจของเรานี่มันจะดับทุกข์ใจของเรานี้ทําให้เราเป็นทุกข์ใจของเรานี้ทําให้เราเป็นโศกมันจะทุกข์อยู่ที่ใจเราไม่ได้ทุกข์อยู่ที่ความคิดของผู้อื่นมันทุกข์อยู่ที่ความคิดของเราจ้าฮารู้ความคิดของเรานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นยอดความเพียรยอดความเพียร จรโตเจปิภิกขเวภิกขโนปะชะติกรมวิตกโกว่าพยายาปัทวิตกโกวาวิหิงสาวิตกโกวาตัญจะพิฆุอธิวาเสตินปะชะเหตินมิโนเทตินยันติกรโรติ น, นาณพาวังคเมติคือความพิสุไลพิสุได้จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามนอนตื่นขึ้นใหม่ๆก็ตามเกิดการมวิตกคุณคิดไปทางการมพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตก คุณคิดไปทางรักคุณคิดไปทางชังคุณคิดไปทางเบียดเบียนไม่สามารถทําให้มันบันเทาไม่สามารถทำให้มันระงับไม่สามาร ถ, รงง ấp, าารถทําให้มันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจา้าท่านบอกว่าแม้จะยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งนานๆสน า, นามวันเจ็ดวันสิบปีก็ตามนั่งไม่ลุกสมาถานไม่นอนสี่ 5, ปีห้าปีนั่งจนตัวด้านตัวทองก็ตาม แต่ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นไม่สามารถทำให้มันระ ง, งับลงได้คือณนะวิโนเทติอย่างนี้ณนะปชาติตไม่ละมันได้นะทิวาเสติอย่างนี้อธิวาเสติไม่บรรเทาไม่ระ ง, งับให้ให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้นะณนะภาวังคาเมติพระพุทธเจ้าว่ายืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งกี่ปีกี่ชาติอยก็าตาม ไม่นอนเลยสมาทานนั่งอยู่เป็นสิบปีว่าตามเอวังภูตวานาตาปีอนตาปีสตตังสมิตังกุสีโตหีนเวรโยริบุตจะได้คราวกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีความรู้สึกอดความเพียรแผดเผาไม่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องมีความเพียรซ้ำมีความขี้เกียจ ภสีโตขีเกียรตินะวิริโยมีความเพียรย่อย่อนความเพียร3ทีจะถ้าเกิดว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่มีความคิดเกิดขึ้นตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรู้ทันทำให้มันดับไปทันทีได้อย่างนี้ตัณจะพิขุทำให้มันดับพิสุนั้นทำให้มันดับไปไม่ให้มันตั้งอยู่ได้ หน้าทิวาเสติปะชะหติวิโนเทติพยันติกรติอนนะภาวังคเมติทำให้มันลำงับไปบรรเทาไปถึงความตั้งอยไม่ได้ละมืเสียอย่างนี้พระพุทธาตบอกว่ายืนอยู่นอนอยู่นั่งอยววู่ก็ตามเอวังภูโตอาตาปีโอตปีสตตังสมิตังอละะัลทวิโยปหิตตัตโตติวัจติเราก่าวว่าบุคคลนั่นเป็นผู้มีความเพียร อยู่ทุกเมื่อมีความเพียรอันปารบิบแล้วอยู่อย่างต่อเนื่องอืมสตตังสปิตังอารถวิริโยไปตะโตในวัจจะมีความเพียรอันปาริบอยู่อย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ต่อเนื่องไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราอยู่ในบ้านในเมืองนั่งนงรถเมลไปอยู่ที่ไหนก็ตามอ่านความคิดแทนมันออกชัดแจ้งเหมือนเราอ่านหนังสือ อย่างนี้เรียกว่าเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้กายเรียนรู้จิตพระพุทธเจา้าท่านบอกให้พอใจเพียงแค่นี้มิตะกูเบสเมละโตพอใจการทำให้วิตกในความคุ้นคิดมันลำงับไปได้ภะโพโซติโซภิกขุพุทุ่งสัมโพเิ ม, ม, มุตตมั่งภิกขุนั้นควนรแทรยบันรูปโพธิยานอันอุดมเห็นไหม มันมีอยู่เพียงแท่นี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกที่รุนแรงด้วยอารมณ์ของโลกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจให้ไหลล้องคนนมคนเท้าสมัยใหม่นี้สิ่งที่มันซีมีเรออโมชั่นมันมากจะไปนั่งรับหูหลับตาเพ่งชาในมันเกิดอภินญานั่นมันจะชาอาจจะลำบากอาจจะตายเปล่า แต่ถ้าสร้างสติให้มันรู้เท่าทันอยู่ทุกลมหายใจรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะจิตที่มันคิดอย่างนี้มันจะชํารกกิเลสนิเพทะคามมณียาสัมมาทุกขคัคามณียานี่นิเพทะกายะสัมมาทุกขคยคามณียาเหมือนกับชื่อวัดของเราในขณะนี้ว่านิเพทะพาาลาามจาจำไว้ คำนิพพยท่าคำนี้แปลว่าชำแรกเจาะยังทราบชำแรกกิเลสเจาะแทงกิเลสยังทราบหรือว่ารู้นิพพท่าพาร า, ามอารามันเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกการรู้อย่างนี้มันจะชำแรกกิเลสมันจะเป็นนิพพทะให้สมกับเรามาสู่นิพพยท่าพาร า, าม สมัยนี้มันเหมาะแก่การรู้เท่าทันชำรกออกไปพีชิง่งเรนิเทชันอย่างเนี้ยที่ว่าสุขวิปัสสตะคนโบราณทานายพระพุทธศาสนาร่วงการผ่านไปพระอรหันต์มีอยู่และพระอรหันต์ประเภทต่งตางๆจะหมดไปอภินยาหมดไปปฏิสัมพิธาหมดไปสุดท้าย ทรสุขวิปัสสโกนี่เป็นผู้หมดทีหลังจะยังมีก็สุขวิปัสสโกก็คือผู้ที่เห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันชำแหละ ก, กิเลสออกไปในโลกสมัยนี้มันไม่เหมาะสมที่จะไปทำให้มันเกิดประเภทอภิญญามันจะเกิดได้ประเภทอภิญญาพวกฤทธิเดชอภิญยาห้าแต่มันจะช้า สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำหนวยให้ทางที่ดีที่สุดก็คือสร้างอิมมินิตี้คือสมถะไปพร้อมต้านทานแล้วก็สร้างระบบแอนตี้ไบโอเทกมีสติครอบงำปัดปัญหาในขณะที่มันพบมันสัมผัสตรงที่ปัสสนี้ให้รู้อยู่ในทิฏเท้ทิธรรมาตังภวิสติสุตเตสุตมาตังภวิสติมุตเตมุตมาตังภวิสติอย่างนี้ เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่างนี้ได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งได้สแสวงหาได้พิจารณาด้วยใจรู้มันเชยใช่แล้วมันผ่านไปผ่านไปเป็นนั้นว่ า, าวันนี้เรามาศึกษาชีวิตที่เรียกว่าทำทั้งสมถะและวิปตนาเพื่อจะรู้เข้าไปในตัวชีวิตคือมันมีตายและจิตอันอาศัยตัน การรู้ลมหาใจข้าวหาใจออกทุกเมือ่อนี่คือการรู้จักกายขออภัยพวกคำนี้ท่านอาจจะคิด